بسم ال الله الرحمن الرحيم อ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ฺ ن ف س ن ا ومن سيئات ฺ ع م ا ل ن ا من يهد الله فلا مضلله ومن يضلل فلا ه ا د ي ฟฺฺฺฟฺฺฺฟฺ ا ฺฟฺฺฺ ا ฺ ل ฺฟฺฺฺฟฺฺฺฟฺฺฺ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ربِّش رحلِ صدري ويسر لي أمري و, و, و, و ح ل, ل ُ العقدة من لساني يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا วับิแกน موت وابي แก نحيا وإلايكن نشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت أبوؤلك بنيعمتك عليا وأبوؤ بذنبي فغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إ أن ا أنت اللهم ن ي و ذ بك من شر ما ص ن サวะลัยกุมตุลลอฮ์วะบรกตุพี่น้องที่ร่วมนมาตซุบทุกทุกท่านครับเราอ่านมาทบทวนกุรานทุกเช้า ว, วันอาทิตย์เราทบทวนมากี่ปีแล้วเนี่ยยูซุสิีปีปีหปีแล้วครับทต่อเนื่องไม่หยุด ทำจนกว่าจะตายเพราะเราได้ข้อมูลจากกุรอานอายาที่ผ่านมาอายาสุดท้ายของสุรุอัลฮิจุรวะบุตรับบะกะฮัตตายาติยกลยินอายาสุดท้ายของสุรุอัลฮิจุรที่อ่านผ่านมาแล้วเนี่ยเราอ่านพบว่าวะบุตอัลล์สั่งว่าวะบุตรับบะกะฮัตตายาติยกะลยิน อัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดสุลลัลในอุสลัมบอกว่ามุฮัมมัดจงพักดีต่ออัลลอฮ์พักดีต่อพระผู้อภิบาลของท่านจนกว่าความตายอัลยาตีนนแปลว่าความตายอัลเม่าจนกว่าความตายจะมาหาท่านฉะนั้นทําความดีจนกว่าจะตายนมาจนกว่าจะตาย อ่านอัลกุรอานจนกว่าจะตายรำลึกถึงอัลลอฮ์จนกว่าจะตายทำความดีกับพ่อแม่จนกว่าจะตายแล้วก็ติดต่อกับเครือญาติจนกว่าจะตายแล้วก็ทำความดีอื่นๆ อ, อ, อีกจนกว่าจะตายพราะเราอ่านกุรอานพบอายาสุดท้ายของส ah ุลต์อัลฮิจร์ว่าบุตรรับบักะหัตตยาตียักัลยะกีน แล้วต่อมาสุรที่เรากำลังอ่านอยู่ขณะนี้คือสุรอันนหลูอันนหลูแปลว่าพึ่งแปลว่าตัวพึ่งถ้าน้ำพึ่งที่ได้มาจากตัวพึ่งเรียกว่าอัลอาซัลในภาษากุราอานอัลลอฮ์สั่งให้เราเนี่ยดื่มน้ำพึ่งเพราะน้ำพึ่งเนี่ยมีอะไรนะมีประโยชน์ คำว่าประโยชน์ในในคุรานมีพูดว่าฟีฮิชฟาอุลลินนัสฟีฮิชฟาอุลลินนัสน้ผึ้งนี่มีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยใครเล่าให้เราฟังว่ามีประโยชน์อัลลอัลลอฮนการีุรานบอกว่าฟีฮิชฟาอุลลินนัสน้ผึ้งนี่มีประโยชน์มากอย่าทานเยอะทานช้อนเดียว พอแล้ววิธีทานก็คือเอาน้ำอุ่นๆใส่แก้วแล้วก็เอาน้ำพึ่งเนี่ยช้อนหนึ่งแล้วก็คนแล้วก็ดื่มอัลฮัมดุลิลลาฮ์สฮะ บ, บานาบีนะแข็งแรงไม่ต้องกินยาเสริมยาสมุนไพรก็ไม่ได้กินแต่ว่าสฮะ บ, บานาบีแข็งแรงเพราะหนึ่ง นบีสอนให้ทานอินทผาลาัมวันหนึ่งสักเจ็ดเม็ดดื่มน้ำผึ้งแล้วก็ดื่มนมแพะนมแพะกับนมวัวเนี่ยนมแพะเนี่ยย่อยภายในครึ่งชั่วโมงดีกว่านมวัวเยอะแล้วซอบ้านนาบีก็ดื่มนมอูดอีกนมอูดนี่ ก, ก็แข็งแรงร่างกายแข็งแรง เรารู้ได้ยังไงว่าบรรดาอสศ บ, บ, บ้านนบีแข็งแรงอะ่ะมีลูกบางบางคนมีลูกแปดสิบคนอไม่แข็งจะมีลูก8ปดสิบคนอะ่ะไปนั่งหาหมอหาหมอมีทางหรอกครับแข็งแรงทำอะไรอะนี่แหะนมาตหัายุดเยอะนอนก่อนน้อยแต่ว่าใจ หัวใจของบรรดาชาบ้านนาบีนี่อัลฮัมดุลิลลเข้มตลอดเวลาฉะนั้นเขามีวิตามินดีดทานวิตามินดีคืออิคลาสเนี่ยวิตามินเอเลยนะความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรง่อพี่น้องคนที่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยไม่ค่อยป่วยหรอกเพราะว่าอะไรไม่มีโรคแฝง ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอส์ซุลมานาวูวตาลาเราเรียกว่าไรนะนบีนบีสอนอย่างงี้นบีสอนโดยยกตัวอย่างว่ามันซ่อมารมดอนใครที่ถือศีลอดในเดือนระมดอนมันก็มาระมดอนใครที่ยืนนมาดในเดือนระมดอนอีม่านั้นยืนด้วยแรงศรัทธาไม่ได้แรงเกรงใจใคร ไม่ได้แรงเกรงใจใครเลยรักอัลลอย์อย่างเดียววะติซาบันแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์กูฟิรละหูมาตกัดดัมมินดัมบสิ่งที่อัลลอ์ให้ก็คืออัลลอ์อภัยโทษนะอภัยโทษทั้งหมดนะแล้วคนไม่มีไม่มีโรคไม่มีโทษโอ้สุขภาพแข็งแรงหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเอาสุนนนบีไปใช้นะครับเอาสุนนนาบีไปใช้ ผมไปทบทวนดูไอเรื่องอันนาฮุ่นเรื่องพึ่งเนี่ยนะได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกเป็นฮะดีษนะเป็นฮะดีษของอิหม่ามอบู ด, ดาวูดท่านอิหม่ามตัฟซีกุตูบีจะอาธิบายบอกว่าอัจจูบานอัจจูบานหมายถึงมแมลงมแมลงน ะ, มะแมลงที่กัดคนแล้วเจ็บมามแมลงที่กัดคนแล้วเจ็บนะอะไรก็ได้ กุลฮาฟินนาร์แมลงที่ทําอันตรายกับคนจะเป็นแมลงอะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยในวันเกียร์มาจะอยู่ในนรกหมดเอาไปทําอะไรอะ่ะยาจัวลูฮาอาดาบันลีอาฮิลนารไปกัดคนในนรกต่อเนี่ยแมลงที่อัลลอฮฺสร้างสร้างมาอยู่บนโลกดุญญนยาเบนี้ไม่รู้ว่ากี่พันชนิดที่ทําอันตรายกับมนุษย์อะ่ะ ในวันเกียร์มาอัลลอฮฺจะให้มาแรงเหล่านี้นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาไปอยู่ในนรกคอยเล่นงานชาวนรกออย่างมาแรงวันนี่สนุกอะมาแรงวันมาตอมเต็มหน้าเนี่ยดีไหมมันจะกัดหรอกมาตอมเต็มหน้าเนี่ยดีไหมไม่ดีไม่มใครอยากได้มาแรงวันอ่ะมาแลงอะไรก็ตามที่มันมันทำให้เราเจ็บบ้างทําให้เราวุ่นบ้าง ทั้งหมดแล้วนี่อัลลอ์จะสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วให้มันไปอยู่ในนรกไปทำอะไรครับไปเนี่ยยาจอลูฮะอาบลิอลินนารจะไปรังแกจะไปลงโทษจะไปเล่นงานจะไปกัดไปต่อยชาวคนชาวนรกอิลายกเวนอันนลุพึ่งยกเวนพึ่งพึ่งเนี่ยอัลลอ์ไม่เอาไปไว้ในนรก ใช่ไหมมีอยู่พึ่งอยู่ชนิดเดียวนะ่ะที่อัลลอฮไม่เอาไม่สร้างไม่ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่ให้ไปใช้ชีวิตอยู่ในนรกอีกต่อไปยกเว้นพึ่งฉะนั้นพึ่งเนี่ยตัวพึ่งนี่มีประโยชน์มากเลยเอาดูตัวพึ่งถ้าที่ผมไปไปไ ป, ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมก็คือว่าพึ่งเนี่ยโอ้เวลามันจะนิก้ากันทีหนึ่งนะ่ะมันต้องหาที่ที่สะอาดๆ ส, สูงๆนะ่ะไม่เหมือนแมลงวัน แมลงวันนี่นิกากัร น, นี่บนอะไรนะบนหมาเ n e a บ้ า, บางบนหนอนบ้างมองอะไรบ้างพวกนี้แต่พึ่งนี่สะอาดอขึ้นข้างบนสูงโอ้หาที่ส ะ, สะอาดๆนิกาใช่ไหมแต่พึ่งไอตัวแมลงวันนี่นี่อยู่อยู่อะไรอยู่กับทิงสิ่งสกปกสิ่งโสโครกทุกชนิดนี่อะไรตัวแมลงวันแต่พึ่งนั่นสะอาดเพราะฉะนั้น ในอัลกุรอานได้เล่าว่าน้าพึ่งที่ได้มาจากพึ่งเนี่ยอัลลอ์มีประโยชน์เหลือเกินฉะนั้นที่บ้านมุสลิมนะควรจะมีน้ำพึ่งเก็บเอาไว้มีอินทาลัมเก็บเอาไว้แล้วก็มีนมอะไรนะนมแพะเก็บเอาไว้เอาไว้ทานเนี่ยให้ลูกแล้วทานให้ตัวเราเองทานแล้วก็ดื่มนมดื่มนมแพะเนี่ยเวลาดื่มแล้วมีดุงอาอ่านอีกไม่ใช่อ่านแค่อัลฮัมจุลิลลาห์อย่างเดียวไม่ใช่ อ่านดู อ, นอ่านว่าไงนะใครจำได้บ้างเวลาก่อนดืม่มก็อ่านบิสมิลลาห์พอดื่มแล้วเนี่ยต้องไปบ้วนปากาต้องไปบ้วนปากอย่า ก, กินนมแล้วก็มานามานเนี่ยเพราะมันติดไขมันมันติด ท, ที่ที่ปากเยอะก็ะนั้นไปบ้วนปากเนี่ยนบีของเราเนี่ยสอนไว้ละเอียดมากเลยละหัมดูเลยละเอาวันนี้มาดูอายะที่แปดนะครับ ี่น ah ้องดูกุรานะวัลข้ยลวัลบิ غال วัลฮามีรลิตรคบุฮาวะจีนะวย خلق ุมาลัตัลามุนคุรานอายที่แปดนี้นะครับในสุร้อนนัพลอธิบายอย่างนี้วัลข้ยลแปลว่าม้า อะไรที่มีอยู่ในคุรอ่านดีหมดวัลคอยแปลว่าม้าวัลบิรอลบิลแปลว่าล่อวัลฮามีรและลามีสัตว์อยู่สามรายการมา้าล่อลาม้าล่อ ล, ลบาบรรดาวนี้ลาก็ไม่มี บรรเล่าเนี่ยล่อก็ไม่มีมีแต่อะไรนะมีแต่มาแล้วมาบ้รรเลาก็ไม่น่าขี่ไม่สวยแต่ในอินเดียเนี่ยมีหมดเลยทั้งมาทั้งล่อทั้งลาผมเนี่ยอยู่ที่หอพักนาะดัวตุอลอัลละมาที่ลักเนาว์อ่ะลาล่ออยู่หน้าหอพักเลยเวลาร้องทีเราหื ม, ม, มเสียงมันไม่น่าฟังนั่นอัลลอฮฺได้กล่าวในกามีร์กุลอาบบอกว่า เสียงที่น่าเกลียดที่สุดก็คือเสียงลาเสียงร้องของลาพวกนี้ทนทนมากเลยเวลาออกแล้วกลับบ้านไม่ถูกสัตว์พวกตัวนี้นะเวลาออกจากบ้านแล้วนะกลับไม่ถูกแบบพวกเราบางคนเนี่ยละออกแล้วกลับไม่ถูกนะอมเปรียบเปียบเสมือนลานะสัตว์สามประเภทมา้าล่อลาเนี่ยลิตัสกาบูฮาอัลลอฮ์สร้างไว้เพื่ออะไร คำอธิบายชัดลีตัสกาบูฮาเพื่อสูเจ้าจะได้ขี่มันเห็นไหมเอาไว้ขี่ประเทศอินเดียอาไปใชยเกือบหมดเลยเนี่ยผมเคยถามผมเคยถามไอ้คนที่มีล่ามีรออะไรมีมีลามีล่อเยอะๆเนี่ยมีเป็นร้อยๆตัวผมถามนี่เก็บไปทำอะไรเยอะนะเนี่ยทำงานแทน เพราะในอินเดียนี่เขาไม่มีรถแท็กเตอร์นี่นะ่ะที่ขนทรายนี่นะไม่มีเขาใช้ลากัะลอดอย่ยละเข็นโอ้เขาสร้างงานให้คนจนได้ทมเขาไม่เอารถมาแทนคนงั้นคนตก ง, งานเขาเก็บมาไว้แต่คนก็มีลามีลอ่อคนละห้าตัวสิบตัวแล้วก็ไปรับไปแบกทรายแบกหินอะไรแต่ไรมีงานทำลาก็มีงานทำ เจาของก็มีเงินใช้อย่างนี้เป็นต้นในบนรรดานนี่คนว่างานเต็มเลยเอาเอารถมาแทนเอาอะไรมาแทนหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ทะเลาะกันลิตาร์กาบูฮาสัตว์สามชนิดนี้มีไว้เพื่อขี่เห็นไหมถามว่าเอามากินได้ไหมกินได้ไหมสามสัตว์สามประเภทเนี่ยเอามากินได้ไหม พ่คอคุณอานบอกว่าลิตาคาบูฮาเพื่ออาลมาขี่วาซีนะแล้วก็เป็นเครื่องประดับด้วยอัลฮัมดุลิลละเนี่ยขี่ขม้าสวยไหมอัลลอฮฺอากรัตม้าเนี่ยเป็นเครื่องประดับอย่างดีเลยคนที่ขี่ม้าเนี่ยเช่นอย่างก็เขาถ่ายรูปใช่ไหมเรามองดูสวยอัลลอฮฺอากรวัตเราเคยดูหนังใช่ไหมหนังไลายม้าเนี่ยเป็นฝูงเนี่ย อลอับมอละลิวะซีนะในอัลกรุรอานพูดว่าเครื่องเป็นเครื่องประดับบางทีเราอยู่ชนบทนะเป็นเครื่องประดับที่ดีก็คือมองมาเป็นฟูงฟูอัลลอ์มันชื่นใจถ้ามีเรามีกุรอานแล้วทำให้เรานึกถึง Allah, ala, อัลลอ์สุบฮานะฮูวตาละโออัลลอ์ให้มาเนี่ยสวยหมดเลยทีนี้ในอุลามาทีอธิบายอย่างนี้นะสัตว์3สามอย่างเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ทาน นะครับแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งมาเนี่ยนะฐานได้นะนอกนั้นฐานไม่ได้นะนะครับฐานไม่ได้ห้ามห้ามหมดเลยนะครับทีนี้ ในห a d i t อธิบายอย่างนี้นะครับอันดาบิร์กล่ลวว่าข้าว ر س و ل u ล l a h ص ل ล الله عليه وسلم อดีนาฟิลูหุ่มลคอยลออนุญาตให้ทานเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อหมาได้แต่อีสองรายการไม่ให้ทานลากับล่อเนี่ยไม่ให้ทานนะครับในห a d i t h ของอิหมั่งบุคฮารีนะครับอิหม่งมุสลิมได้อธิบายเอาไว้และบรรดาสัฮาบานะบีนะเชือดหมาในสงครามบคอยบัต ต่อหน้าท่านนาบีมีอยู่ครั้งหนึ่งซอฮาบานบะีเนี่ยเชือดมา้าต่อหน้าใครนะต่อหน้าต่อหน้านาบีนบีเห็นนบีก็ไม่ได้ตาําหนิฉะนั้นก็เลี้ยอัลมาส่วนใหญ่พวกซาลัฟอัลมารุ่นรแรกๆและอุลมารุ่นหลงัลงๆเนี่ยเขาก็อธิบายบอกว่าอนุญาตให้ทานเนื้อม้าได้แต่ลากับล่อเนี่ยไม่อนุญาตให้ทานและบรรลูก็ไม่มีด้วย แต่เราก็ตรงเรียนรู้เอาไว้นะครับแล้วต่อมาครับวายาคลุกุมาลาตาลาโมลและพระองค์ทรงสร้างอื่นๆอีกที่สูเจ้าไม่รู้อะไรบ้างอะที่สูญเจ้าไม่รู้ที่อรรถจะสร้างหลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรถยนต์เห็นไหมในสมัยนบีมีไหมไม่มีเดี๋ยวนี้มีไหม มีอุลลอฮอธิบายเอาไว้ดีหนึ่งรถยนต์รถไฟเครื่องบินวายาคลุกูมาลาตาละมูนและพระองค์จะทรงสร้างอื่นๆอีกที่สูรเจ้าไม่รู้ก็หมายถึงอะไรนะเครื่องบินรถไฟในภาษารู ด, ดูว่าเรลการิฮวจาจาฮัซเครื่องบินรถไฟรถยนต์นี่เป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างไม่ใช่อัลลอฮ์ลงมาสร้าง อัลลอฮ์ให้เบาของพระองค์บางคนคิดฉค่ด้านบนโลกดุรยาเบนี้ใครจะคิดอะไรก็ตามไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดุริยาเบนี้ที่มานั่งกันวันนี้เต็มัสยิดวันนี้นะไม่ใช่บังเอิญ น, นะอลัลลอฮ์กำหนดไว้ไก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมาห้าพันปีที่วันนั่งกันวันนี้ห้ามดุลิลล ไม่ใช่บังเอิญครับไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดุงยาเบนี้อัลลอฮ์จัดทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นท่านเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วายะขลูกุมาและตะละมูนอัลลอฮ์สร้างในสิ่งที่สูเจ้าไม่รู้อีกเยอะทีนี้พูดเรื่องกลับไปเรื่องน้ำพึ่งอีกนิดหนึ่งอ่าเรื่องน้ำพึ่งอีกนิดหนึ่งมีซอบานะบีคนหนึ่งมาหาท่านนะบีปวดท้องมา โอรสูนขอรอฉันปวดท้องขอยาหน่อยนบีบอกว่าไปดื่มน้ําพึ่งไปไปไปไ ป, ไปดื่มน้ําพึ่งไปดื่มแล้วรุ่งอีกวันหนึ่งยารซูลลอไม่หายนาบีว่ากลับไปดื่มอีกวันที่สองมาวันที่สามมายายารสูลลอไม่หายยังปวดอยู่นี่นบีว่ากลับไปดื่มอีก พราะวันที่สี่มาหานาบียารซูลรไม่หายอ่ะนบีตอบว่าไงรู้ไหมนบีตอบบอกว่าซาดากอลลหูของที่อลัลลอฮ์พูดน่ะจริงหมดวากาซาบะตนูอาคีกะแต่ว่าท้องท้องของคุณน่ะมันดื้อยาของที่อลัลลอฮ์พูดเนี่ยไม่มีโกหกเลยฉะนั้นนําพึ่งเนี่ยนะ มันเป็นยารักษาโรคพอวันที่ห้ามหาท่านนาบีหายแล้วอ่นานบีพูดแล้ว嘛ท้องคุณมันดือ้อยาแต่ว่าท้องคุณต่างหาเนี่ยมันมันมันดือ้อ<笑>กินกินยาเท่าไรมันก็ไม่หายกินนางพึ่งมันก็ไม่หายแค่นั้นการหายหรือไม่หายอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาส่วนการรักษานั้นเป็นหน้าที่ของเรา นี่พี่น้องหลายคนนะที่กินยาปั๊บเนี่ยใจยมันนึกยาให้ตัวยาทำให้หายหรือว่าอัลลอฮ์ให้หายอ้าวสวนยายสวนยายคิดว่าอะไรยาทำให้หายนี่ถ้าอ่านจากหัติสนะอย่าคิดอย่างนั้นนะผิดนะคิดไม่ที่ทำให้เราหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากทานยานะ่ะใครให้หายอัลลอฮ์ ใจต้องนึกว่าอัลลอฮ์ให้หายฉะนั้นก่อนจะดืม่มอ่ะก่อนจะทานยาให้อ่นอานไงนะบิสมิลลาแล้วก็นบีก็แ น, นะนำอกีกก่อนจะดื่มให้อ่านอย่างนี้อัลลอฮุมมัชฟินีโออัลลอฮ์โปรดเยียวยารักษาฉันด้วยเถิดหอ้หไม้ตัวนอกทั้งหลายเพราะฉะนั้นเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยต้องไปหาหมอเวลาหาแล้วอย่าเหมาว่ายานี่แหละทาให้ฉันหายอย่านึกอย่างนั้น เราเป็นคนฝังคนนี้คนฝัง ค, คนน้นน่ะเขาคิดอย่างนี้แหละยานี่แหละทาให้ฉันหายมัไม่ต้องบิสมิลลาห์ก็ได้ไม่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ก็ได้แต่คนฝังคนนี้ต้องนึกตลอดเวลาว่ายาอัลลอฮ์สั่งให้ทานยาเพราะนาบีสอนอย่างนี้ลิกุลลิดาอินดาวาอุนทุกๆุโรคนั้นมียารักษาอิลัลมาตนอกจากความความอะไรความตายตายอย่างเดียวกับแก่ชราเนี่ย ไม่มียารักษาให้หายแก่หายตายก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้หายจากโรคคืออัลลอฮ์อย่ามองว่ายาพอมองยาแล้วมันไม่ถึงอัลลอ์จะกลายเป็นชีริกเอานะจะนั่นก็ขอแนะนำพวกเรานะครับเวลาทำอะไรก็ตามแต่ให้นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮา น, นาหุบตาลอาต่อมาอายาที่เก้าครับ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء الله داكم أجمعين อายะาวเนี่ยดีมากเลยพี่น้องเนี่ยคนที่รู้กุรอ่านนะพี่น้องแล้วก็เข้าใจกุรอ่านอ ي มานมันเพิ่ม ว, ว่าอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าภาระหน้าที่ของอัลลอฮ์ คือเป็นหน้าที่ของอัลลอ์เลยทำอะไรครับกอสดุซาบีลคือการชี้ให้ถึงทางที่ตรงใครจะจะได้รับความสำเร็จในชีวิตต้องมีศาสนาและศาสนาเนี่ยมาจากใครศาสนานมาจากใครศาสนานที่ถูกต้องเนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอ์สุบฮานหูวาตาอัล ฉะนั้นว่าอัลลอฮเป็นภาระหน้าที่ของอัลลอ์นะครับกสุดสบีลสามารถที่จะทำให้คนนั้นน่ะอยู่ในทางที่ถูกต้องได้ฉะนั้นคนที่อยู่กับอัลลอ์เนี่ยเขาใช้ชีวิตที่ถูกต้องแล้วคนที่เอากุรานนะครับเอากุรานเนี่ยมากำกับชีวิต เอาความรู้จากคุรานมากํากับชีวิตเอาสุนนะของท่านนาบีเพราะมุฮัมมัดนั่นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมาแล้วก็ความรู้ที่ท่านนบีสอนสอนสอนนั้นเป็นความรู้ของอัลลอฮ์ทั้งหมดยิบรีนนาเอามามอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์รุบสัลลัมเพราะฉะนั้นพอเราอ่านว่าว่าอัลลอฮ์เป็นภาระหน้าที่ของอัลลอฮ์ อัลลอฮ์เล่าเลยนะเป็นหน้าที่ของฉันนะที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในทางที่ถูกต้องฉะนั้นของที่มาจากอัลลอฮ์น่ะดีหมดเลยนะอย่าไปคิดว่าไม่ดีอ่ะอย่างอัลลอฮ์ให้เราป่วยอย่ามองว่าอัลลอฮ์นี่อัลออลอฮ์ให้ฉันป่วยอีกแล้วเราคิดไม่ถึงตัางหากเราวิจัยไม่ถึงตัางหากที่เราที่เราป่วยใช่ไหมเราก็ไปโทษอัลลอฮ์ดูสิ วันนี้ตั้งใจจะไปทําธุระหน่อยอัลลอฮ์ให้ฉันไม่สบายปวดท้องอัลลอฮ์เนี่ยไม่ดีเลยไม่ใช่ของที่อัลลอฮ์ให้มาดีหมดเราเองถ้าหากอที่ไม่เข้าใจอ่ะพี่น้องมีอยู่คนหนึ่งวันนั้นเขานั่งๆั่งกันอยู่หลายคนเนี่ยนั่งๆั่งกันอยู่พี่น้องที่มัสยิดนะพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ยพอลุกขึ้นออก มาสักหนึ่งนาะทีน่ะพัดลมจะร่วงลงมาไอ้คนที่ลูกขึ้นไปในะบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าเราไม่ขึ้นนะไม่จบนะไม่ลูกขึ้นออกเนะพัดลมร่วงลงมาวันนั้นมีอันตรายอะ่ะแคนั้นของที่ตลาด จ, จัดไว้น่ะดีทั้งหมดอามีอีกคนหนึ่งวันนั้นไปนั่งอยู่ที่สนามบินนี่ประเทศซาอุดีเนี่ยนี่เป็นเป็นเป็นหนังสือพิมพ์นะ่ะพี่น้อง ไปนั่งนั่งแล้วก็หลับเขาประกาศเรียกชื่อคนเนี่ยหลายเที่ยวแล้วเที่ยวที่หนึ่งที่สองที่สามว่าคุ้นคุ้นคนคุ้นขึ้นบินขึ้นขึ้นบินขึ้นบินจะออกอนี้ก็นั่งหลับครอกเลยไปนอ้องอ้าวรึ้นบินออกพอออกไปแล้วเนี่ยตื่นพอตื่นพ่อก็วอยวายอ่ะวอยวายวอยวายอยู่สักพักหนึ่งเขาประกาศครึ้นบินที่ออกไปเมื่อตะกี้เนี่ยไปตกตายหมดน่ะ แต่คนนี้รอดอยู่คนเดียวยิ้มแต่เลยองอะไรห้ำอยูอยาอัลลอ์ขอบคุณอัลลอ์ถ้าขึ้นเนี่ยตายเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเรานั้นดีทั้งหมดจะเราคิดเป็นหรือเปล่าฉะนั้นอัยยานี้สอนให้เราเข้าใจนะว่าอัลลอฮิกสดุสซบีลนะครับเป็นภาระหน้าที่ของอัลลอ์คือการชี้ให้ถึงทางตรง แกผู้ที่แสวงหาทางที่เที่ยงตรงใครที่แสวงหาอิสลามแสวงหาความรู้จากอัลอิสลามคนที่อ่านอัลกุรอานคนที่เอางสุนนะนบีมากำกับชีวิตนะพวกเขาได้รับความสาเร็จหมดบนดุนยาอาจจะมองไม่เห็นแต่ไม่มีปัญหาเพราะอายานเ้เตือนเราแล้วว่าอัาลลอฮ์ฮิคสดุสซบิลอาตอมากับ ว่ามินฮาจาอิรและในทางทั้งหมดที่อัลลอ์ให้มาเนี่ยนะมันก็มีทางคตยาอิซแปลว่าทางคตคือทางของสายตอนก็มีด้วยอัลลอ์บอกไมอัลลอฮ์เล่าในกะัมีกรกุรอานทั้งหมดนั่นแหละอ่าเพราะฉะนั้นคนที่อ่านอัลกรุรอานจะรู้เลย เาเช่นนอนในเวลานามาสุโบกับตื่นในเวลานามาสุโบต่างกันไหมอ้าวคนที่ตื่นมานามาดอยู่ในทางที่ถูกต้องและไอคนที่ตื่นแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมานามาดแล้วนอนต่อเนี่ยอยู่ในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดรู้เลยนะครับเพราะนาบีสอนไว้ฉะนั้นนามาสุโบของบางคนใชไไไ้ไม่ได้ก็เยอะแยะไปอ้าวไม่ได้ยังไงไปน้องไปนมาตอนเจ็ดโมงก็มี บางคนพอตื่นแล้วก็ลืมตะคุมผ้าต่ อ, อคนอีประเภทนี้อย่างนี้นามาศโบะนอกเวลาอัลลอฮ์ไม่รับตื่นแล้วแต่ไม่ยอมตื่นนอนต่อขี้เกียจขี้เกียจ น, น, น, น, นอนนอนนอนต่ออีกหน่อยนะแด้วไปตื่นนะหกโมงอุตวันขึ้นแล้วก็ตื่นมาเพราะนาบีสอนว่างไงนะใครที่ตื่นเวลาไหนเวลานั้นแหละคือเวลานามาศของเขา ก็มีสา บ, บ้านนาบีคนนึงชื่อซูฟยานพลายาไปฟ้องนบีพระยาอัลสุลล์ภาษามีฉันเนี่ยตื่นซูบโบสายก็ซูฟยานนั่งอยู่ในที่ประชุมของท่านนาบีด้วยนบีถามว่าอ้าวซูฟยานภรรยาเธอมาเล่าให้ฉันฟังว่าคุณเนี่ยตื่นมาซูบโบสายทุกวันตอบสิที่ภรรยาพูดนะถูกหมด แต่ฉันเนี่ยมีอาชีพทํางานกลางคืนกว่าจะเลิกก็ใกล้ๆสุโบพอกลับมาถึงบ้านนอนได้เนิดนึงก็ได้เวลาสุโบฉันตื่นไม่ไหวอ่านี่สามีช่วยฉันตื่นไม่ไหวนบีว่าอ้าวตื่นกี่โมงก็นามาตอนนั้นฉะนั้นนบีอนุญาตให้ก็เท่ากับอัลลอฮฺอนุญาตให้นั่นแหละบอกว่าตื่นกี่โมงก็นามาตอนนั้นสำหรับคนที่ไม่ตื่นนะ แต่ถ้าปลูกแล้วไม่ตื่นไม่ใช่นะครับต้องหลับจริงๆไม่มีคนปลุกขึ้นไม่ไหวจริงๆหรือไม่นี่อนุญาตให้นมานมาณสายได้ตื่นเจ็ดโมงก็นามาณเจ็ดมงแล้วก็นมามอะไรนะแปรงฟงแปรงฟันนมาณอาบน้นํานามาณเรียบร้อยเสร็จแล้วนามาณสุนทรสองแล้ก็อาจได้สุบโบอีกสองแล้ก็อาจนมาณให้ครบอย่าไปนามาณฟัดดูอย่างเดียวไม่ได้ นำมาให้ครบนี่ท่านนาบีของเราได้แนะนําเอาไว้แต่หาคนที่แกล้งนอนเนี่ยได้ไหมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอาเชนั้นว่าอัลลอฮอิกรสดุสซาบีนเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะทําให้มนุษย์นั้นอยู่ในทางที่ตรงและก็อัลลอฮ์ก็บอกเหมือนกันทางที่ชั่วอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันทําสินาชั่วด้วยดีใครบอกครับกุรอานบอก ใช่ไหมทรยศต่อพ่อแม่ของดีหรือของเลวของเลวใครบอกครับอลัลลอฮ์บอกผ่านนบีมุฮัมมัดมายืนชีของดีหรือของเลวครับของเลวเพราะนบีม د, ุฮัมมัดอัลลอฮ์สอนมาให้เบาของมนุษย์บ่าของอลัลลอฮ์ทุกคนนั้นนั่งชีนอกจากคนป่วยคนที่เป็นโรคอะไรนะตอมตอมลูกหมากใช่ไหมน ะ, ะพวกนี้บางคน ต้องยืนแล้วยืนแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ยืนจนกว่าจะฉีฉีจะจบมีไหมมีกรณีที่เราป่วยอันนี้ยกเว้นได้เพราะฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮฺศาสนาอิสลามอธิบายทั้งสองอย่างทางที่ดีและทางที่ไม่ดีในเวลาเดียวกันวัดต่อมาครับวะลาอูชอฮดะกุมะจุมน์และถ้าพระองค์ชาอ่าในประวัติ ถ้าหากเอาลอประสงค์ถ้าเอาล้อประสงค์นะลาฮาดากลุ่มจะนำสู่เจ้าทั้งหมดเนี่ยอัจมายนอยู่ในทางที่ถูกต้องได้ประชากรในโลกนี้มีอยู่เจ0ดพันล้านเป็นมุสลิม 2,500 ้าอล้านนะครับถ้าจะให้คนเจ็ดพันล้านเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นมุมินทำได้ไหม ได้แต่ทาไมอัลลอ์ไม่ทาให้คนทั้งโลกเนี่ยเจ็ดพันล้านคนเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ล่ะนบีเคยขอร้องเคยขอร้องอย่าอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นมุมินได้ไหมอัลลอฮ์ว่าได้แต่ฉันไม่อยากทำหรอกไม่ทำถ้าหากว่าฉันให้มุมินทั้งหมดเป็นคนดีทั้งหมดให้คนเป็นมุมินเป็นคนดี แล้วนบีมาทํางานอะไรแล้วก็มุฮัมมัดมาทําอะไรอาจจะนั้นให้มีคนเร็เวๆมีคนไม่เอาศาสนาอยู่เพื่อให้เราคนมีศาสนาจะได้สอนคนไม่มีศาสนานี่แต่หากไป็คนดีหมดเนี่ยพี่น้องดาว่าตกงานใช่หรือไม่ใช่ตกงานหมดจะไปสอนใครออันนี้ดีละดีละดีดี ด, ด, ด, ดีหมดเลย ค่นั้นไอ้คนไม่ดีก็อยู่ริมๆท่านนั่นแหละเพื่อจะได้นะจะได้สอนนบีก็สอนเวลาสอนคนเนี่ยอย่าอย่าใช่อารมณ์สอนดีๆเวลาไปนั่งฟังเขาเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดบทนี่ฟังฉันฉันจะมาด่าว่านบีสอนนะให้นั่งฟังเขาไปก่อนให้เขาพูดออกนอกทางไปก่อนแล้วก็นั่งฟังครับครับครับครับพูดสักสิบนาทีเอาฉันบ้างฉันฟังคนละที อาจารยเวลาไปสอนคนไปทำงานพวกนี้นะต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องมีอัคลากดีเตรียมไว้เลยหนึ่งห้องสำหรับไว้ถูกดานะเตรียมไว้เลยนะใจหนึ่งห้องสําหรับถูกเล่นงานอานารย์โต้ครูวนันนี้ก็ถูกดานก็ตุกันตุ ก, กันทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยเราสอนเรื่องฮีบาบอัลลอฮฺถูกดา่าเดี๋ยวนี้อัลฮั ม, มดุลิลลา แต่คนที่สอนยุคแรกๆนะถูกตำหนิไหมถูกตำหนิคณะนั่นคณะนี้คณะนี่คณะนั่นถูกหมดแต่วันนี้เราทำอย่างไละมุสลิมมาออกข้างนอกบ้านไม่คุมพิยารชักอายนี่ไงความดีที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดครับพี่น้องทั้งหลายภาษาอุรดูเนี่ยทางที่ถูกต้องเรียกว่า ซ, า, ซาซีดีราซีดีรัสตะนะครับซีดีรา ทั้งหมดนี้มาจากอัลเลาะุบฮานหฮูวตาลาผ่านนาบีมุัมมัดฉะนั้นอัลเลสามารถที่จะให้คนทั้งหมดเป็นมุสลิมได้ไมั้ได้อายะห์ตรงไหนวะลาชาอาอะลาฮาดาคุมอัจไมน์ตรงนี้อ่ะตรงนี้อธิบายอย่างนี้อีกนะครับอลลา น, นให้ทรงปล่อยให้มนุษย์มีความคิดอิสระ อัลลอฮ์ให้มนุษย์มีความคิดอิสระใครที่คิดดีมีรางวัลคิดชั่วได้โทษนี้ทางอัลลอฮ์ให้แล้วไงอัลลอฮ์ให้ไปแล้วไอ้นี่ชั่วนะไอ้นี่ดีนะเรียนเรียไม่ได้บังคับพี่น้องอย่าต้องนึกตรงนี้ด้วยนะคนที่เป็นมุสลิมนี้นะอัลลอฮ์ไม่บังคับให้ใครคนหนึ่งคนใดมารับอิสลามแต่คนที่รับอิสลามแล้วนั้นต้องบังคับ อย่างลูกเราอย่างเงี้ยต้องบังคับจะปล่อยว่ามันจะนำมา ก, กี่ยกเรื่องของมันอัลลอ์สร้างคนมาอิสละาใช่ไหมนะ่ะไม่ใช่ไม่บังคับให้ใครมารับนับถืออัลอิสลามบังคับไม่ได้แต่เมื่อมาเป็นมุสลิมแล้วต้องบังคับพ่อก็ต้องบังคับสิบขวบไม่นามาถ้าทำไงนบีสอเลยสิบขวบให้ลงโทษ เจ็ดขวบให้ฝึกลูกให้มานามาดพี่น้องนี่ไงนี่แนวทางของอิสลามทั้งหมดอ้าวนาบีก็สอนอีกนะครับใจคิดอะไรฉะนั้นใจของมุสลิมกับใจของคนฝั่งขนูน้นคิดไม่เหมือนกันคนฝั่งขณีใจต้องไม่อิจฉาอาสองใจต้องไม่ผูกพยาบาทสามโกรธกันไม่เกินกี่วันกี่วันนะ 3วันในเวนลาปฏิบัติจริงสามปีสุน่านาบีบอกกัอย่าอย่ า, ยาเคืองกันสาวันอัลลอฮฺอาบดุลากับพี่น้องเราทะเลาะกันบางทีสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเห็นหน้าสลัดพลุดไม่รู้ว่าเอาสุน่านาบีคนไหนมาใช้ไม่มีนบีคนไหนเลยนะที่สอนให้ทะเลาะกันได้ไม่มีมีแต่ให้อาภัยอดทนให้อาภัยอดทนแต่ต้องอาศัยทัศนานี่แหละพี่น้อง าต่อมาครับอายาที่สิบัละอันซลมีนัสมาอิมาอัลลุมมินหชรบุวมินหชจรุมฟีิตซีมูนอายาที่ส0บเนี่ยอัลลอฮ์พูดเรื่องน้ำน้ำที่อัลลอฮ์ให้มาจากฟากฝ้าเห็นยังใครกล้าคุยบ้างวะ เอาล้คุยลอเล่าวะน้ำฝนเนี่ยฉันให้มานะ่ะพี่น้องก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์กันมาแล้วใช่ไหมน้ำมาอย่างไงอาวแดดเห็นไหมเอาน้ำจากท้องทะเลขึ้นไปรวมตัวกันบนท้องฟ้าแลกลายเป็นก้อนมงกเมฆคนนั่งเครื่องบินเห็นเยอะโอ้โหก้อนเมฆเครื่องบินผ่านก้อนเมฆสันอย่างนี้เลยนะโอ้โหนักเพราะอุ้มน้ำมาไว้เยอะใช่ไหม ขวัญละวอันซาเลมีนัสมาพระองค์คือผู้ทรงประทานน้ำอัลลอฮฺน้ำฝนกับน้ำเนี่ยน้ำประปาต่างกันไหมอ่ะน้ำฝนอร่อยแต่สมัยนี้กินน้ำฝนไม่ได้แล้วเพราะทำไมอ่ะมีแอคเซแอคเรนแปลว่าอะไรนะน้ำกรดอยู่ข้างบนเนี่ยน้ำฝนแต่มีกรดเต็มไปหมดเลยเพราะโรงงานที่เราสร้างสร้างสร้างไปทำลาย ใครทำลายใครมนุษย์ทำลายมนุษย์กันเองเมื่อก่อนน้ำฝนอัลลอ์ทั้งหวานทั้งอร่อยกินไปแก้วหนึ่งโอโลัลอเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไม่กล้าดืม่มต้องกินน้ำทีเอ็มทีวีสวัสิจะสบายใจเสียตังอีกแปดบาทอืมขุวัลละดีอันซาลมินัสมาอัลลอฮ คือผู้ทรงประทานน้ำจากฟากฟ้ามาอันละกุ่มมาแปลว่ามุยย้ยอ่ะแปลว่าน้ำอ่ามาอุ่นแปลว่าน้าอัลลอฮฺประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้าละกุมสำหรับท่านทั้งหลายอย่าไปกราบน้ำเพราะอัลลอฮ์ให้น้ำมาบริการท่านอย่าไปกราบน้ำคนที่กราบแม่น้ำมีเปล่าประเทศไหนอินเดีย ผมอยู่อินเดียมานานผมรู้ผมมีเพื่อนฮินดูเยอะไปให้มันนําคงคาเนะี่ยไปกราบกันไปนองไปล้างบากรอยที่นั่นด้วยแต่อิสลามบอกว่าได้ไหมได้ไม่ได้เพราะน้ําเป็นประโยชน์สําหรับมนุษย์ท่านอย่าไปกราบน้ําตน้นต้นไม้บางคนกราบต้นไม้กราบทําไมต้นไม้เพราะต้นไม้มาทําประโยชน์ให้กับมนุษย์ มินหูชาร้อบุญนะครับน้ำนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างเป็นเครื่องดื่มชาร้อบุญแปลว่าเครื่องดื่มว่ามินหูชาจารุนจากน้ำนั่นแหละทำให้มีต้นไม้ไห็ไหมพี่น้องน้ำทำให้มีต้นไม้เกิดขึ้นถ้าน้ำไม่มีต้นไม้ไม่เกิด ตัวลงว่าน้ำเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดอัลลอฮฺอักบัรขอบคุณอัลลอเนี่ยท่านพี่น้องที่ปลูกต้นไม้อาไว้ที่บ้านเนี่ยลองไม่รดน้ำดูสิกี่วัน <c oughs> อาทิตย์เดียวตายเรียบหมดฉะนั้นน้ำพี่น้องเป็นปุ๋ยที่ดีซึ่สุดสำหรับต้นไม้ใครเล่ากูอานอายานี้พี่น้องหัวใจมนุษย์นี่นะถ้าใส่ปุ๋ยผิดนะตาย หัวใจเรานี่อะไรพี่น้องทีงนี้เวลาตายเนี่ยหัวใจตายคือหัวใจที่ลืมอัลลอฮ์พี่น้องต้อง น, นึกนะไม่ใช่ตายแบบต้นไม้นะไม่ใช่ตายฝันกูโบนะั่นไม่ใช่หัวใจตายด้านก็คือหัวใจที่ไม่นึกถึงอัลลอ์นึกถึงแต่วัตถุของอัลลอ์ที่สร้างมานึกถึงบ้าน นึกถึงนานึกถึงที่ดินนึกถึงแพะนึกถึงแกะนึกถึงเป็นของที่เป็นวัตถุทั้งหมดแต่ไม่ได้นึกถึงอัลลอนั่นคือหัวใจตายด้านทีนี้หัวใจตายด้านเนี่ยคนที่หัวใจตายด้านพราะกินปุ๋ยผิษเอาปุ๋ยไปใส่พิษปุ๋ยอะไรพี่น้องเพลงกับเสียงดนตรี ใครที่บริโภคใครที่กินเพลงทุวันทุวันฟังเพลงกลใจเนี่หัวเต้นอย่างเงี้ยขยับไปขยับมาดนตรีกับสามันเพลินดีเพราะเราถูกหลอกว่าไงัยนะดนตรีอะไรนะเสียงดนตรีเป็นอะไรอนะ่ะที่เราถูกหลอกยาฮูดีมันปั้นมาสอนมาต้องกินเสียงเพลงเสียงดนตรีขดิษนานบีสอนนะนิฟ้า มาถึงหน้าไหว้หลังหลอกจะเจริญเติบตัวเติบตัวขึ้นในหัวใจคือฟังเพลงกับฟังดนตรีเห็นไหมคุณน้องแ่ด น, นคนที่ฟังดนตรีเยอะๆฟังเพลงเยอะๆดูละครเยอะๆลืมครลืมอัลลอฮ์นึกถึงใครนึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนึกถึงดารานึกถึงพี่เบิร์ดนึกถึงใครน่ะของที่ไม่ ไม่ถึงชั้นฟ้าครงนี้หนึ่งของตำตำหมดเลยพวกมแมลงวันอยู่ข้างล่างน้ำเพื่อยู่ข้างบนใช่ไหมฉะนั้นเวลาจะทำให้หัวใจสะอาดต้องอย่าฟังเพลงแล้วก็อย่าฟังดนตรีเยอะเพราะนั่นมันเป็นปุ๋ยทำให้เราลืมราลึกถึงอัลลอสุบฮานวาวะตะลาแบบเรามีน้ำพี่น้องครับถ้าเราไม่เอาน้ำเนี่ยไปใส่ต้นไม้ของเราต้นไม้มันตายต้องต้องนึกนะ เวลารถรถตนมาเช้าเ้าน่ะนึกและหัวใจเราเนี่ยละเอาอะไรไปรถ่ป้องครับวิธีเอาปุ๋ยใส่หัวใจเราให้มันเจริญงอกงามคือยิกรุ่นหลออย่างอื่นไม่มีครับอย่างอื่นไม่มีมีอยู่ชนิดเดียวรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบกุอานตรงไหน อาลาบิซิคริลาฮิตาตุบะอินนุลกูลูบจงรู้ไว้เถิดด้วยการรำลึกถึงอัลลอ์เท่านั้นแหละทำให้หัวใจสงบเพราะหัวใจสงบก็คือหัวใจที่รำลึกถึงอัลลอ์สุบฮานาหัวตาลาฉะนั้นอย่าใส่ปุ๋ยผิดถ้าใส่ปุ๋ยผิดหัวใจตายด้านหัวใจตายด้านอธิบายยังไงไม่นึกถึงอัลลอ์ไม่ขอบคุณอัลลอ์ อ้างว่าฉันไม่ไม่เคยเห็นนาอัลลอฮ์ฉันไม่รู้ฉันทำเพื่ออัลละ์พูดก็หกตอนแร่แค่นัานอย่าฟังเพลงกลับอะไรนะทนตรีละครเบาๆหน่อยครับพี่น้องเรือมากก็อองห่างไปเลยนะครับและทำหัวใจของท่านหัวใจสงบนะครับพี่น้องเอาต่อมากับฟีฮีตูซีมูนสูเจ้าเลี้ยงสัตว์ให้อ้วน อัลลอฮ์เล่าเลยนะครับจะให้สัตว์อ้วนมีอยู่ทางเดียวอะไรนะเอาไปกินหญ้าที่อัลลอฮ์ให้มาอเมือ่อหกเจ็ดปีก่อนนั้นสัตว์กินไม่ได้เรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้เพราะเขาเลี้ยงอาหารสัตว์ในทางที่ผิดใช่ไหมไม่ได้เอาญยาให้สัตว์กิ น, เ อ, ก น, น, นอเอาอะไรให้กินนู่นนะเอาอะไรตราไรให้สัตว์กินแล้วเป็นไงใ น, ในอังกฤษปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหก็ดปีที่แล้วเนี่ย แคนั้นเอาตามสุนนะนาบีสุนนอะอัลลอฮ์สุนนะตุลลอสุนนะของอัลลอฮ์โลกใบนี้อัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลจะเพียงผู้เดียวคนนึกถึงนะครับตอนที่ผมอยู่ในเรียนหนังสืออยู่ในอินเดยเนียที่ประเทศอังกฤษเนี่ยพี่น้องมีปัญหาเกิดขึ้นคนนี่นะอะไรเนีคันทั้งตัวคันคันันหมออังกฤษทั้งหมดรักษาไม่ได้ ประกาศประเทศที่ขึ้นกับอังกฤษมีเยอะทีใช่ไหมอินเดียอย่างนี้อามาเลเซียนี่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็ประกาศบอกว่าประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของฉันเอ๋ยส่งหมอมารักษาคนอังกฤษน้อยเพราะมันคันทั้งตัวหมออินเดียไปเป็นมุสลิมหมองก็ไปวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์อ้าวเชื่อฉันนะตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ทุกคนเนี่ยเวลาจะ เข้าห้องน้ำแล้วนะอยาชายกระดาษเช็ดให้ชายน้ำชายน้ำให้หมดแทนกระดาษพอใช้กระดาษมากี่สิบปีแล้วนี่อังกฤษนี่เปลี่ยนไหมให้ชายน้ำแทนอังสุ น, น่านาบีไปใช้พอชายน้ำปรับหายหมดเลยกลงกง้นไม่มีเม็ดไม่คันใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายต้องกลับมาอยู่สาภาพเดิมๆของอัลลอ์ที่วางไว้ จำเป็นบางครัง้งบางคราวพี่น้องอยากเราเดินทางอย่างเงี้ยไปฉี่ในที่ที่ไม่มีน้ํนานบีสอนให้เอาอะไรนะให้เอาหินแล้วก็เช็ด3ามเรียงสามมุมให้หาสามก้อนเช็ดได้เก้าทีพี่น้องเพื่ออะไรนะนี่งนนาซุนานบีทั้งหมดคนที่ทําตามซุนานบีรับรองไม่คันอลองไม่ทําตามซุนานบีลองดูสิทีสองทีอาจจะไม่คันถ้าทนานานๆสักปีสองปีระวังระวัง เดี๋ยวจะตูดขึ้นเม็ดบ้างอะไรบ้างกระทถดขายก็เล่าเอาสุนทรนบีมาชาในทางที่พิษไงพี่น้องทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นทําตามสุนนทรนบีพี่น้องครับเอาล็อคุ้มครองนะครับไม่ให้เป็นโรคอะไรต่างๆนะรวมไปถึงพี่น้องที่นอนตะแคงท้ายก็ระวังนะนอนตะแคงท้ายนะนอนไม่ค่อยหลับรแล้วก็ฝันร้ายแลนอนยังไงที่ดีมีผลระบุแล้วนอนหลับง่ายนอนตะแคงขวา เพราะหัวใจมันอยู่ด้านซ้ายพอนอนตะแคงซ้ายไปทับหัวใจถ้านอนตะแคงขวาไม่มีอะไรมาทับหัวใจแล้วก่อนนอนทําไงนบีสอนแปรงฟันก่อนแล้วอาบน้ําน้ำาดก่อนมานั่งบนที่นอนตะปัดที่นอนก่อนแล้วยกมือขึ้นเป่าก่อนอย่าเพิ่องอ่านอ่านเสร็จแล้วก็ลูบไปทั้งตัวสามครั้งทําอย่างนี้ เป็นการปฏิบัติตามสุนานะนาบีแล้วนอนหลับไหมหลับถ้านอนไม่หลับมีดูอาอ่านอีกไม่ใช่ไปกินยาดูอาว่าไงใครได้ง <laughs> ผมนอนไม่หลับเรื่อยก็อ่านดูอาหลับมั้ยฮัมดูลิลาขอบคุณ Allah. อัลลอกลับอ้าต่อมาครับพี่น้องตกลงว่าอัลลอ์สร้างน้ำลงมาให้ มาจากฝากฟ้ า, าลงมาสําหรับสูรเจ้าเป็นเครื่องเดิมแล้วก็ให้ต้นไม้เจริญเติบโตและอธิบายว่าไงนนะหัวใจเหมือนกันนะครับหัวใจตายด้านเพราะเราใช้ปุ๋ยพิษนะครับถ้าเราไม่เอาน้ําไปรด ต, ต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่เจริญเพราะใช้ปุ๋ยพิษแะนั้นปุ๋ยของน้ําปุ๋ยของต้นไม้คือน้ําปุ๋ยของหัวใจคือดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาแล้วต่อมาอายาที่11นะครับ ยุม بي ตุลกุมِยุมَ ي ตุลกุมบิฮิษมะวะสัยตุนวนน خ ي ل و ا ل أ ع ن ب و م ن ك ل ا ل ّ م ر ا ت إ ن ف ي ذ ل ك ل ا ي ت ل ق و مي َ ت ف ك ر و ن آ ي ا ت ิ سبأث ยุม بي ตุ ยุมบิตุแปลว่าอัลลอ์ให้งอกเงยนาบาตายัมบูตุแปลว่าอัลลอ์ให้งอกเงยละกุมสําหรับสูเจ้าบิฮิจาระด้วยน้ำนะครับพืชพืชผลต่างๆเนี่ยพืชผลที่อัลลอ์ให้มาทั้งหมดเนี่ยให้มาไว้สําหรับมนุษย์เนี่ยทำให้เราคิดนะ พอรอพูดให้เราคิดถึงเรื่องชั้นฟ้าอายะต่อมาให้เราคิดสิ่งที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมให้สมองมนุษย์เนี่ยเอาล่อตลอดเวลาคิดสูงๆเรามาคิดต่าๆแล้วก็คิดถึงรอบๆตัวเราเนี่ยเอาล่อสอนให้คิดหมดเลยฉะนั้นคนถ้าอ่านคุมอีร์เยอะๆนะสมองไม่ฟอพอคิดหนุนคิดนี่คิดนี่คิดนั่นใช่ไหมเดี๋ยวอ่าจไปจะเจอให้คิดถึงพ่อแม่ คิดถึงครอบครัวเห็นไหมคิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลแล้วต่อมาให้เดินทางทิศอลรถสอนให้มนุษย์คิดตลอดเวลาเลยพอคิดแล้วปัญญามันก็เจริญนะครับอ้าวต่อมายุมบิตูละกุมบิฮิซาระโดยน้ำนี่แหละพระองค์ให้งอกเงยสำหรับสูเจ้าซึ่งพืชผลพืชผลเขา อ, อธิบายไงใช่ไหมเช่นข้าวโพดเช่นนาไร่ที่เราปลูกปูกกันอยู่เนี่ย เมื่อเดือนก่อนผมไปน้องจอกพี่ต้องจําได้ไหมอลัลลอฮ์พูดนัในกะฟิร์กุรอานบอกว่าข้าวหนึ่งเม็ดปลูกลงไปในดินจะขึ้นมากี่รวงนะเจ็ดรวงเจ็ดต้นอนะ่าแล้วก็เจ็ดรวงต้นหนึ่งมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดรวงรวงหนึ่งมีกี่เม็ดลอยเม็ดผมไปน้องจอกผมไปนั่งนับวันนั้นอลัลลอฮ์ เหมือนกุรานเลยเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดนะั่นแหละอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแล้อัลลอฮ์ก็เล่านะผละบุญคนที่ทําความดีบนดุลยานี้ยกตัวอย่างข้าวเม็ดหนึ่งข้าวเม็ดเดียวเพาะลงไปในดินขึ้นมาเจดต้นต้นหนึ่งเจ็ดรวงนี่รางวัลบนดุลยาอัลลอฮ์ให้ และรางวัลในอาคีรอนน่ะมากกว่านี้ไม่รู้ว่ากี่เท่าอัลลอฮฺเห็นอย่างไปนองให้ท่านความดีไปน้องทำเยอะๆอย่าทำของเลวอย่าทำของชั่วบนดุนยาอัลลอให้เห็นเลยโดยเปรียบเทียบชาวนาชาวไร่แต่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นับชาวสวนชาวนาเนี่ยไม่เคยนับเม็ดข้าวตัวเองนับตะแกบ เห็นแกบเยอะอมปีนี้แกบเยอะเหลือเกินข้าวไม่ดีอีตอนข้าวดีนะคือเลยเคยขอบคุณอัลลอห์รือเปล่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับยุมบิทูละกุมบิฮิซาราวะไซตุนอัลลอฮ์ให้ผ่านน้ํานี่นะครับให้งอกเงยพืชผลวะไซตุนต้นมะกอกพี่น้องทราบไหมมะกอกเนี่ยใครเป็นเจ้าของสวนใหย่ใครเป็นเจ้าของมุสลิม ไม่ใช่ฝรั่งครับมุสลิมเป็นเจ้าของต้นมะกอกทั้งหมดน้ําน้ํามันมะกอกที่ดีๆเนี่ยนะเป็นเจ้าของเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยรวมไปถึงประเทศไทยเจ้าของนาใครมุสลิมเดี๋ยวนี้เราเริ่มขายแล้วพอขายมันก็หมดอมพอหมดไปอยู่ถึงมือคนไม่ใช่มุสลิมแล้วเป็นหมู่บ้านอืฉันว่ามะกอกนี่อัลลอฮ์ให้มาวันนาคีล อินทพาลัมอโละก็ให้มาเหมือนกันไปน้องครับท่านคนที่กินน้ํามันมะกอกมีน้ํามันมะกอกเอาไว้นะขายมันไม่มีแพงหรือถูกแพงมากไปน้องอินทรผาลัมแพงไหมไม่แพงน้ําำดำดำไม่แพงเก็บเอาไว้ไปน้องอย่ามองว่าน้ำทีเอ็มทีวีเป็นน้าเป็นน้ําำดำดำไม่ใช่นะไอ้นี่น้ําผลิตเองอื ต่อมาครับวั่านาอังุลให้ไหมเพื่น้องนี่ผลไม้ที่อัลลอฮ์เล่าในกะฟีกุรานอัลลอฮ์หนึ่งอะไ ร, อ, รอัจจาร์ตต้นขา้าวโพดนะครับข้าวมัง่งต้นมะกรอกบ้างอินทผลัมองุลว่ามิงกุลิสามารอดและผลไม้อื่นๆ อ, อีกหลายชนิดที่ไม่ได้กล่าวไว้ตรงนี้มาจากใครมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตอัลลอเห็นอย่างกเพื่อน้อง ฉะนั้นคนที่มีสวนเหล่านี้ต้องนึกถึงอัลลอ์เยอะๆต้องจ่ายสากาศนะครับอย่าลืมสากาศนะอินนฟิซาลิกะละอายาแท้จริงในนั้นมีสัญญาณสำหรับประชาชนละอายอายาแปลว่าสัญญาณลิกามินแปลว่าประชาชนยะตาฟการูนเพื่อพวกเขาจะได้อะไรนะตึกตองใช้ปัญญาให้ไหมเพื่น้อง เลาสอนสอนสอนพะ อ, อายะพอวักสุดท้ายเนี่ยสอนคิดชายปัญญาตึกต้องให้ไหมสมองมันได้ไม่ตายด้านฉะนั้นคนที่อ่านกุณอ่านเนี่ยนะทุกคํามีประโยชน์หมดเลยเอ้าวให้เราชายปัญญาตึกต้องชายปัญญาตึกต้องชาปัญญาตึกต้องพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมต้นไม้ต้นหนึ่งมีอยู่กี่สีอ่ะ ผมอ่านกรุงอ่านอายาเนี้ผมนั่งมองต้นไม้ที่หน้าบ้านผมตรงก็มอง อ, อ่ะเหรอน้าตาไหลอ่ะคือเมื่อก่อนนี่เรามองผ่านอย่างเดียวทต่ี้พออลัลลอฮฺให้เราอ่านกรุงอ่านอายาเนี่อลัลลอฮฺบอกว่าสีมีอยู่กี่สีต้นไม้ต้นหนึ่งมีอยู่กี่สีเคยสังเกตไหมแล้วก็ผลไม้เนี่ยไอตอนยังไม่สุกไงรสมันรสชาติมันเป็นยังไง อีตอนจะสุกไม่สุกรสชาติเป็นยังไงอีตอนสุกแล้วรสชาติเป็นยังไงใครเอากลิน่นเอารสใส่ลงไปในผ ล, ลไม้นั่นฝีมือใครอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอมีอยู่กี่สีรวมไปถึงอีกนกเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ดูนกนกตัวหนึ่งมีกี่สีอัลลอฮ์พี่น้องดูนกแก้วจะกี่สีอ่ะ ดูไก่อูเรานะ่ยกี่สีลอลอที่คอหนาสีหนึ่งที่หางอีสีหนึ่งไข่ใสสีลงไปในนั้นนึกถึงอัลลอฮ์สุภาณหัวตาลาท่า น, นคนที่เลี้ยงไก่อูส่วนใหญ่ไม่ได้นามาพวกตีไก่อะไม่ได้นมาทั้งหมดนะแค่มองสีไก่ตัวเองที่เลี้ยงนะนั่นถึงอัลลอฮ์แล้วอะแล้วไก่อู ม, มันอาจารย์ทุกหเวลาเลยมาจารย์ยังไงรู้เปล่า อุซูกรุลลอาวะจงไปดำลึกถึงอรรถกันเถอะไอคนที่เลี้ยงไก่อูเป็นเป็นมุสลิมรู้ได้ไงก็นุ่งพะสรมกันทุกคนมาเห็นเหรนุ่งพะขามา ก, กันหมดนุ่งพะสรมพวกนี้ไม่ได้นามาย ก, กันเท่าไหรนะ่อะเพราะไม่รู้ว่าไก่อูกําลังไล่ตัวเองไปนามาดแล้วก็แปลกนะไก่อูเนี่ยมันอาจารตอนซูโบ่เนี่มันอาจารทีไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บเดี๋ยวอาจารเดี๋ยวอาจารเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งตอนตะฮาจุดอะ ก่อนซูโบนะอาจานย์ทีนะ่าดูเลยพี่น้องต้องเลี้ยงไก่พระเจาตัวสองตัวที่บ้านจะนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาห์วะตาลาพี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์นะแค่ไก่พี่น้องมีอยู่กี่สีแล้วก็เสียงมันมีอยู่กี่ส้ำเนียงพี่น้องอัลลอฮ์นกเขามีกี่ตัวชีวิตอ่ะรอที่เราเพลินเพินพนะ เ, เพราะเสียงนกเขาใช่ไหม ท, ทิ้งนมาดที่ออกตั้งแต่บ้านเช้ากับเย็น ขาดน้ำมาทั้งหมดทั้งสี่เวลานะ่ะเพราะเสียงนกเขาไปนองขาดทุนเนรื่องกำไรขาดทุนหมดเลยฉะนั้นมันต้องถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลเาต่อมาับอพระยะที่นะสิบสองนะวะซาร์ฮอร์ลากูมุไลละวันนาะฮ์นี่อัลลอ์พูดเรื่องอะไรนะกลางวันกลางคืนใช่ไหมพอพูดเรื่องชั้นฟ้า เรามาพูดเรื่องในต้ น, ต น, ต น, ตนมงต้นไม้ตอนมาพูดเรื่องกลางคืนอีกให้เราคิดว่าสครขขาเลกุมุลัยแล ะ, ะวันนะฮะพระองค์ทรงทาให้เป็นประโยชน์แก่สู่เจ้ากลางคืนอา้าวกลางคืนมีประโยชน์ยังไงพี่น้องนั่งคิดเองเอ๋อกลางคืนพี่น้องเป็นการนอนเป็นการพักผ่อนใช่หรือไม่ใช่ใช อ, อ๋อหลอดีที่สุดเลย ฉะนั้นการพักผ่อนนี่พี่น้องเป็นรางวัลจากอัลละฮ์กษัตริย์ก็นอนคนขับรถก็นอนชาวสวนชาวไร่นอนหมดเบาที่ยากจนก็นอนคนรวยก็นอนเป็นเนี่ยอมาตที่ยิ่งใหญ่กลางคืนแล้วก็เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดฉะนั้นเป็น้อนเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหมอจะฉีดยาให้เรานอนก่อนเพราะการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดเลย ขอบคุณอัลลอฮ์สุภาโนวัตอะไรแล้ซื้อไม่ได้ด้วยพี่น้องอันนาฮะให้กลางวันมาให้กลางคืนให้กลางวันเป็นประโยชน์สําหรับพวกท่านทั้งหลายละกุม้มได้ไหมวะะัซัคข้อขอรอนละกุม้มพระองค์ทรงทรําให้เป็นประโยชน์แก่สูเจ้ากลางคืนและกลางวันสังเกตง่ายๆนะพี่น้องกลางคืนกับกลางวันนะกลางคืนเนี่ยผู้ใหญ่ชอบเด็กไม่ชอบ เด็กก็กลัวผีแต่ผู้ชายนี่ยชอบยิงกลางคืนยิงดีใหญ่สมัยก่อนเนี่ยกูโบนี่ยไม่มีใครกล้านั่งอ่ะเพราะเป็นกลางคืนกลางวันคนนั่งพอเย็นกลางคืนไม่มีคนกลางกลัวผีเพราะกลางคืนนี่แหละพี่น้องแล้วกลางคืนเนี่ยคนเร็วๆน่ยชอบจะได้ออกลักขโมยได้อะไรได้น้ํามันเครื่องหายก่อนตองกลางคืนนั่นแหละยางรถหายก่อนตองกลางคืนนั่นแหละ คนทำซีนาส่วนใหญ่ก็กลางคืนก็นั่นแหละพี่น้องกลางคืนมีประโยชน์เยอะสําหรับคนที่อะไรนะมี إ ي م านต่ออัลลอฮ์แล้วกลางคืนใครลุกขึ้นนามาตหาญุษมีผลบุญเยอะไหมโอ้โหพี่น้องเยอะมากเลยจะส่วนใหญ่ใช้เวลากลางคืน น, นอนเปลี่ยนไหมนอนมากี่ปีแล้วเนี่ยหกสปีแล้วจะขอนอนต่ออีกนะเอาไปนอนในกูโบพี่น้องเอากลางกลางคืนมาลุกขึ้นนามาตหาญุษ อเป็นนอนจริงในกูโบดีกว่าพี่น้องนอนยาวเลยนะจ๊ะพี่น้องเอาต่อมาครับอลัลลอฮ์สอนอกีกวะ ช, ชัมซาวลกอมาอาลัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์ให้ไหมพี่น้องบางคนเรียกพระอาทิตย์ผมไม่อยากให้เรียกพระอาทิตย์ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดวงตะวันพอแล้วพระอาทิตย์อัลลอฮ์เรียกทําไมพระอาทิตย์ ก็คนบูชาดวงอาทิตย์ก็เรียกพระอาทิตย์หมดแล้วจะท่านมุสลิมไม่ใช่ดวงตะวันวันลกอมารอดวงเดือนเรียกพระจันทร์อ๋อเป็นพระไปแล้วก็พวกบูชาดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็ต้องเรียกพระอาทิตย์พระพระจันทร์พวกบูชาทั้งหมดแต่มุสลิมไม่น่าเรียกนายชายคไรนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ วันนูจูมดวงดาวเห้ยไหมอัลลอฮ์กล่กาวหมดเลยดวงดาวถามว่าดวงดาวมีประโยชน์อะไรเพื่น้องมีอยู่สามประโยชน์หนึ่งอะไรนะดวงดาวเนี่ยหนึ่งเป็นซีเนตุลฮหยาซีเนตุสมาอิน ด, ดุลยาเป็นเครื่องประดับของโลกดุลยาทองฟ้าของโลกดุลยาแงันมองดูกลางคืนเพื่น้องสามสี่ทุ่มแงงงันดูทองฟ้าโอัลลอฮ์สวยอย่างงี้ นั่นเป็นเครื่องประดับทองฟ้าอันที่สองขับไล่ชายตอนดวงดาวเนี่ยเวลามันตอนผีพุ่งใตายอ่ะอา่าไล่มานั่นไล่ใครรู้ั้มไล่ชายตอนชายตอนขึ้นแอบไปข้างบนไปทำอะไรไปฟังว่าอัลลอฮฺวะฮีให้มล า, ายิกะทำอะไรจะได้อาศัยข่าวบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วมาบวกกับหมอดูข้างล่างพวกหมอดูนี่ก็ อามาจะใช้ตอนทั้งหมดแค่นั้นอย่าเชื่อหมอดูนะครับแล้วข้อข้อที่สเป็นไรนะเป็นที่ทางคนเดินทางในเวลากลางคืนชี้ทางมันมีดาวอะไรนะดาวหงุดาวหางใช่ไหมคนคนจับปลาคนมองกลางคืนเขารู้กันหมดแหละงั้นดูท้องฟ้าโอ้ในดาวนี่คืนแล้วนี่กาจะสว่างแล้วไอ้นี้ดาวเหนือดาวใต้ขอบคุณอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ All All All Hay มาทั้งหมดเลยนะครับพี่น้อง ม, มัสฮ์ฮาร์ติมิสบุษคาร์ตุมบิอัมริถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมทั้งหมดนั้นถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ย่าไปกราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ยากราบดวงดาวนะครับพี่น้องเพราะอัลลอฮฺให้มาให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์อินนฟิซัลิกะลาอาญาต์อาญาติเป็นประหุพจน์ แท้จริงในนั้นมีสัญญาณหลายอย่างเห็นไหมดวงจันทร์ก็มีสัญญาณดวงอาทิตย์ก็มีสัญญาณดวงดาวก็มีสัญญาณมีสัญญาณหลายอย่างท่านคนที่เรียนพี่น้องครับมีประโยชน์หมดเลยหรือเขามีอย่างตรีรูนสำหรับคนที่ใช้ปัญญาคนที่ใช้ปัญญาศึกษาเรื่องเหล่านี้รับอิสลามกันหมดแล้วพี่น้อง รับล斯兰กันหมดแล้วคนที่ใช้ปัญญาคิดเรื่องดวงดาวเรื่องเดือนเรื่องดาวพี่น้องรับอิสลามกันหมดแล้วนะครับเอาต่อมาอีกอายาหนึ่งว่ามารรออาลกุมฟิลอาร์ดมุขเตลิฟันอัลวานอินน์ฟิ ذلك ลาอายาตัลิกามียะตะกะรู ว่ามาซาราอาซาราอาแปลว่างอกเงยและที่พระองค์ทรงแพร่มาถึงให้งอกเงยละกุมสำหรับท่านทั้งหลายฟิลอร์ดินะแผ่นดินอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้อลัลลอฮ์ทำไว้สำหรับท่านทั้งหลายบอกว่าอย่าไปกราบนะ อย่าไปกราบของที่อัลลอ์ให้เกิดขึ้นงอกงอกงอกขึ้นมาจากดินนะอย่าไปกราบอย่าไปกราบแต่อัลลอ์ให้เป็นประโยชน์สำหรับท่านมุขตลีฟันอัลวาหนูอัลวาแปลว่าสีมุขตลีฟแปลว่าหลายสีเห็นไหมต้นไม้ต้นหนึ่งมีกี่สีพี่น้องสังเกตอัลลอฮฺอักบัดแพะตัวหนึ่งมีกี่สี ไก่ตัวหนึ่งมีกี่สีนกที่บินอยู่ในอากาศมีกี่สีมีสีหมดเลยไข่เอาสีไปใส่ไข่ไข่ผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้ใข่เอากลิ่นไปใส่กลิ่นหอมหน้าบ้านผมมีต้นมะลิเช้าเช้ า, ชาก่อนจะมานมา่ยืนดงทีหนึง่งห้ามดนลิลล่ะขากรอบดมไอเทียงห้ามโดนลิลล่ะขอบคุณนะล้อ ออกบัด ต, ต้นมะลิมีกีสีอ่ะดอกมันสีขาวใบมันสีเขียวพอแก่ๆน่ะสีเหลืองอลอกบัถ้าไม่คิดไม่มีประโยชน์ถ้าคิดมีรางวัลแล้วก็ทําให้เรานึกถึงว่าอัลลอฮมีองค์เดียวนะครับมุคตัลฟันอัลวอนุอิแนฟิซัลิกาลาอยะแน่จริงในนั้นเนี่ยในต้นไม้ก็ดี ในสีก็ดีที่อัลลอ์ให้มานะครับและอายะเป็นสัญญาณเป็นเครื่องหมายหลีเก้ามียกรูสำหรับประชาชนที่ไข้ครวนผู้ไข้ครวนผู้ใช้ปัญญาคิดพี่น้องฉะนัญญอย่ามำอะไ้ผ่านานคิดเยอะๆพี่น้องแล้วก็จะพบอัลลอ์สุบฮานหูวาตาเด้อาอายะสุดท้ายนะครับพี่น้อง วะวะทีซักขร์ัลบาห์ร์ลิตะคุลูมินห์ลัพมันตรียะพระองค์คือผู้ทรงทำให้บารุนแปลว่าทะเลหรือมหาสมุทรมหาสมุทรเนี่ยมันจะภาษาไทยนะภาษาอุดดูเรียกว่าสมุนดารสมุนดารแปลว่ามหาสมุทร ผมนัอา่านภาษาอุดมสมุนร์และภาษาไทยมหาสมุทรอา้าวใครเอาใครมาเนี่ยขอ ย, ยืมเข้ามาใชา่มหาสมุทรสมุนดอรอ่าอัลลอฮ์สร้างมหาสมุทรหรือว่าสมุนร์น่าน้ําหรือว่าทะเลลิตะกูลูมินหูจากทะเลนั้นน่ะพี่น้องกินเนื้อสัตว์ตะกูลไม่ว่าท่านบริโภค ลาหมันตอริยเนื้ออร่อยเนื้อส ด, สดสดอร่อยอร่อยอวันนี้หมอแนะนําผมหลังจะผ่าตัดใบาพาร์ทสามเส้นหมอว่าอาหารสําหรับคนป่วยนะปลาทะเลดีที่สุดไม่มีไขมันอัลฮัมดุลิลละเนี่ยมาเจอกรุณานนะละลาห์มันตอริยเนื้ออร่อยอร่อยเนื้อสดส ด, สดจากไหนครับจากทะเล มาเห็นไหมไปนองหนีไปไหนไม่รอดต้องเอาของอัลลอฮ์มาใชา้ทั้งหมดฉะนั้นอย่ากร า, าบทะเลนอะอต่อมาวะตัสตัริจูมินหูฮิลยะตันตัลบสูนาะและสู่เจ้าสแสวงหาออกมาจากทะเลจากทะเลเนี่ยมนุษ ได้ไปค้นมาได้ไปแสวงหามาพบอะไรให้เรียาจารย์เครื่องประดับจริงไหมจริงนี่พี่น้องผมอ่านตัฟซิ์ของภาษาอูดูของตัฟซีดมาจีดีของคนคนอินเดียอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าไงนะเอ่อไ c ส์เอ็กคอของประเทศรัสเซียอธิบายบอกว่า ในท้องทะเลมีทองอยู่ประมาณแปดสิบล้านตันความกุ๊งอานอญญาย่านี่ไปวิเคราะห์ในท้องทะเลทั้งหมดในะมหาสมุทรทั้งหมดในสมุทัดทั้งหมดนี่นะมีทองประมาณแปดสิบล้านตันแล้วก็มีเงินเงินในมหาสมุทรประมาณสี่สิบล้านตัน ใครคุมอยู่ขนาดนี้คนไม่เอาศาสนาคนฝั่งนู้นคุมหมดเลยแล้วคนฝั่งนี่ไม่ได้คุมเห็ไหมขาเอาอายากรอันเนี่ยสุรนี่แหละอายานี่แหละที่ว่าน้ำน้าทะเลนี่นะให้รยะตันตัลบาซูนะมีเครื่องประดับสำหรับเอาไปสวมใส่ใหไหมไข่มกมาจากไหนทะเลทะเลส่วนไหนพี่น้อง น้ำเค็มกับน้ำจืดนี่ที่มันผสมกันยังไงที่มันต่อเนี่ยระหว่างนี้นะครับหอยเนี่ยที่มันเอาน้ำฝนลงไปได้น้ำฝนเม็ดหนึ่งแล้วก็ดึงไปอยู่ใต้มหาสมุทรนะกี่ปีสองสามปีกลายเป็นไข่มุกขึ้นมาในทะเลทั้งหมดปลาในมหาสมุทรอร่อยไม่ต้องเชื่อดด้วยใช่ไหมเอลลาลองให้กินได้เลยป้าตายก็กินได้นอกจากเน่าอย่างเดียวแล้วก็เน่าชาด้วยเพราะว่ า, วาน้า ม, มันเค็มนะครับ ตัวลงว่าอะไรที่มาจากทะเลนั้นอัลลอฮฺอักบัตฺบารักัเต็มไปหมดขอบคุณนะรัสเซียที่ไปวิจัยออกมาเอคคอร์เดมีออฟรของรัสเซียอธิบายว่าทองในมหาสมุทรรวมแล้วประมาณ80ดสิบล้านตันแล้วก็มีเงินประมาณ4ี่สิบล้านตันไอ้คนดูเถอะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาครับวัตารลฟุลกะ ท่านเห็นเรือไม่เรือฟุ้ลแปลว่าเนี่ยเรือมหาสมุทรเรือเดินทะเลนะมาวะเคโรฟีที่วิ่งผ่านคลื่นเนี่ยพี่น้องที่วิ่งมาอยู่กลางทะเลนะนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮ์ถ้าอ AH. ัลลอฮ์ไม่เล่านะกะพีก่กุลอ่านใครคิดจะสร้างเรือก่อนที่อัลลอฮ์ประทานกุลอานลงมาเรือยังเรือในมหาสมุทรยังไม่มีเดี๋ยวนี้มียังมีเอามาจากไหนนี่ไงได้ข้อคิดจากอายะนี้ เอาไปสร้างเรือกันใครสร้างฝรั่งเอาไปสร้างทำอรูล่ลินแล้ววาลิตั บ, บตารูมฟิฟาบลิฮิเพื่อให้สูญเจ้าแสวงหาความโปรดปราน ห, หมให้เราไปหาริสกีที่ท้องทะเลด้วยให็หมั้มพี่น้องเราที่อยู่ชายทะเลพี่น้องก็หาปลากันเกือบทุกคนอะ แต่ที่ลึกไปกว่านั้นพี่น้องหลายคนไม่รู้น้ําทะเลทะเลเนี่ขอร้องอัลลอฮ์วันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งยาอัลลอฮ์ให้ฉันขมือบคนที่ไม่เอาท่านไหมทะเลยา Allah, อยัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ ฟ, อฟอ้องอัลลอฮ์ตื่นเชา Allah, ขึ้นมาก็ฟ้องยาอัลลอฮ์ขมือไม่เขมือนไม่ไอคนที่หาปลาไม่เอาท่านอะ่ะอยู่บนเรือของท่านน่ะ ไม่สูยูด ต, ต่อท่านได้เวลาดุโหดไม่สูยูดได้อาซัดไม่สูยูดได้มากรีบไม่สูยูดแล้วกินปลาท่านในทะเลให้ฉันขเขมือปมไม้แบบเซิร์นามิเอาไหม อ, อ, อ, อ, อ, อลัลลอฮ์อย่าอยรอ ก, ก่อนรอ ก, ก่อนไปไหมเพรอน้องถ้าอา่านฮะดิสเราจะรู้ ท, ทันทีว่าอัลลอฮ์อาคบะฏทะเลนี่มันไส้มนุษย์ที่ไม่เอ า, าศาสนาพรอน้องมันไส้แล้วก็ขอร้องยอย่ารอให้ฉันทําลายเขาไหมอากริกูฮุมให้เขา ให้ฉันจมเขาไหมจมมาทะเลไปเลยมันตายตายไปซะัลเวาอย่าอย่าอย่รอก่อนรอก่อนรอ่อนเไหมไปนอนท่านถ้าเราอ่านฮะดีสนะจะรู้ทันทีว่าอัลลอฮฺอัลบาศสพระสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยขอดุอาต่อร้องให้ทําลายเราเพราะเราไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตะลาวาลาอัลกุมตัชกูรุนเพื่อสูเจ้าจะได้ขอบคุณให้ไหมไปน้อนจ้าลา ท่าขอบคุณอัลอด้วยการทําดีขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการเรียนศาสนาขอบคุณอัลอฮ์ด้วยการนามาสการโคบวันละหเวลาขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการบริจาคสะกาศขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการติดต่อกับเครือญาติแล้วก็ดูแลลูกหลานของเราให้มีศาสนานี่เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์สุภาอานตะลาอัลลอฮ์กลับไปน้องอวันนี้เราทำดุลิลละพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบาานตะลา พวกเราเนี่ยเก่งนะพอพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮนะ์น่ะห้านาทีนะหมดพุ่งแล้วแต่พอพูดเรื่องเมียเราสิโอโ้โหล่าเป็นเดือนเล่าเรื่องโลกหน่อยปับปบปับปั บ, บ, บวันหนึ่งไม่จบแต่เล่าเรื่องอัลลอฮ์หน่อยนะคิดไม่ออกอลัลลอฮ์ทำอะไรบ้างไม่รู้นี่ไงเอาอายานี่ละหกเจ็ดอายานี่เพื่อน้องไปทบทวนดูจะรู้ว่าเอานี่วิธีการขอบคุณอลัลลอฮ์ทงี้นะอัลลอฮ์อ้อา Kanekap, Subhanaka l l a h u m m a w a b i h a m d i k a s h u k u r l l a i l a h i l l a a n t a Astagfiruka wa a t u b a y y i k l a Wassalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh.